ยอดดีของคนความดีของคนพูดกันไม่รู้จักจบวันนี้จึงเอายอดดีมาพูดเสียเลยยอดดีของคนคือธรรมะคาว่าธรรมะแปลกันว่าสภาพผู้ทรงไว้หมายความว่าทรงตัวอยู่อย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นซึ่งตามทางโวหารต้องอธิบายกันกว้างขวางหลายแง่หลายเงื่อน ถ้าแยกแยะออกไปก็จะไม่ตรงกับความมุ่งหมายสำหรับหลักสูตรการศึกษาในชั้นนี้ซึ่งมุ่งจะให้นักศึกษาเข้าใจทางสายการปฏิบัติเป็นสำคัญมีใช่มุ่งให้พองความรู้ถ้าตั้งหลักปักธงเสียอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับนักหนานักศึกษาพึงเข้าใจว่ากฎเกณฑ์แห่งความประพฤติของคนเรามีอยู่สองฝ่ายเท่านั้นคือถูกกับผิด ถ้าทำอย่างนี้ถูกตรงข้ามกับอย่างนี้ก็ผิดถ้าอย่างนี้ผิดก็หมายความว่าตรงข้ามกับอย่างนี้ถูกกฎแห่งความประพฤติที่ถูกเรียกว่าธรรมะกฎแห่งความประพฤติที่ผิดเรียกว่าอาธรรมข้อความสองท่อนข้างต้นนี้ทำให้ผู้ศึกษาโล่งใจขึ้นบ้างแล้วว่าธรรมะนั้นคืออะไรกันแน่ เมื่อสาวเข้าไปถึงต้นตอจริงๆแล้วสภาพที่เรียกว่าธรรมะมีอยู่ในจิตเป็นองค์อันหนึ่งเท่านั้นส่วนที่มีชื่อเสียงต่างๆเช่นขันติเวริยะกะตันยูสัจจะและอื่นๆนั้นเป็นอาการของธรรมะท่านที่อยู่ในกรุงเทพคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านี้หลอดไฟแสงสว่างนั้นตู้เย็นน้นตรีดโนนพัดลม มีกันอยู่ทั่วทุกมุมเมืองถ้าเราย้อนไปหาต้นตอของไฟฟ้าคนหนึ่งออกจากไฟสว่างคนหนึ่งออกจากตู้เย็นคนหนึ่งออกจากเตารีดต่างคนต่างเดินไปสู่จุดกำเนิดไฟฟ้าแล้วคนทุกคนก็จะไปพบกันที่โรงไฟฟ้าพลังไฟฟ้าอันเดียวเท่านั้นแต่ใช้แสงสว่างก็ได้ทำความร้อนก็ได้ทาความเย็นก็ได้ แล้วทาอะไรอะไรได้อีกหลายอย่างเมืองเมืองหนึ่งมีโรงไฟฟ้าหนึ่งโรงก็พอและเมืองใดมีพลังงานไฟฟ้าแล้วบ้านเมืองก็เจริญสว่างสวยัยธรรมะในตัวคนก็เหมือนกันมีธรรมะไว้แล้วจะทําอะไรจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้มีธรรมะประชาอยู่ก็แล้วกันจะรักกันก็ได้รักกันอย่างมีธรรมะจะไปดูหนังดูละครก็ได้ ดูอย่างมีธรรมะจะไปตากอากาศชายทะเลก็ได้ไปอย่างมีธรรมะจะเป็นทหารก็ได้เป็นตำรวจก็ได้เป็นอย่างมีธรรมะจะพูดเพราะๆก็ได้จะพูดดุๆก็ได้พูดอย่างมีธรรมะตกลงว่าธรรมะไม่ขัดกับการดำรงชีพของมนุษย์กลับส่งเสริมกิจการและชีวิตของทุกๆคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอาธรรมต่างหาก คอฉุดลากเราให้จมแล้วจมอีกมีบางคนคิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมเป็นคนคลื้และครับแคบในสังคมข้อนี้ก็ไม่เป็นความจริงเลยคนปฏิบัติธรรมชอบทำงานด้วยเหตุผลและมีความหวั่นไหวน้อยเลยเป็นคนคลและถ้าใครคลื้จริงๆการปล่อยตัวให้ครื้นั้นผิดวิธีของธรรมะเพราะธรรมะมีแต่เร่งเราให้คนศึกษาหาความรู้ เพราะปัญญาขึ้นในตัวส่วนที่ว่าทาให้คับแคบในสังคมนั้นเป็นการตีตัวตายก่อนไายของเราเพราะความจริงกลับปรากฏว่าสังคมผู้ดีทุกชั้นต้องการคนมีธรรมะทั้งนั้นแต่ก็เป็นการแน่นอนที่ว่าคนมีธรรมะจะเข้าสังคมแห่งคนอธรรมไม่ได้ธรรมะจะบังเกิดผลจากทางเดียวคือการปฏิบัติตามธรรมะ ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนมีร่มอยู่ในมือแต่ไม่กางร่มร่มก็ช่วยเราไม่ได้มียาอยู่ในกระเป๋าแต่ไม่กินยายาก็จะช่วยเราให้หายโรคไม่ได้ฉันใดเรียนธรรมะรู้ธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติตามธรรมะธรรมะก็ช่วยไม่ได้การปฏิบัติธรรมะนั้นข้อสำคัญต้องพยายามดึงตัวขึ้นไปหาธรรมะ ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วไปจุดเอาธรรมะลงมาหาตัวคือตีความหมายให้หย่อนลงผลที่สุดตัวเราเองก็ไม่มีวันดีขึ้นเหมือนคนอยากอยู่บนที่สูงแต่ไม่อยากปีนเขาจึงพังภูเขาลงมาหาตัวผลที่สุดฐานะของตัวเองก็เท่าเดิมดังได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมะเป็นอุปการะแก่การงานทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความสุขทั้งมวล และนั่นก็คือความสำคัญของธรรมะแต่ถ้าจะพูดกันให้เด่นชัดอีกครั้งเราอาจจำกัดความได้ว่าธรรมะสำคัญคือทำคนให้เป็นคนดีธรรมะเข้าที่ไหนดีที่นั่นพ่อแม่มีธรรมะก็เป็นพ่อแม่ที่ดีลูกมีธรรมะก็เป็นลูกที่ดีครูมีธรรมะก็เป็นครูที่ดี ผัวเมียมีธรรมะก็เป็นผัวเมียที่ดีและอื่นๆทุกๆแห่งที่ธรรมะอยู่ความดีย่อมไม่สิ้นไปจากที่นั่นแม้แต่คู่ต่อสู้กันถ้ามีธรรมะก็ได้รับชมว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีแพ้เขาแล้วแต่ถ้าแพ้อย่างมีธรรมะก็ได้รับความเห็นใจว่าผู้แพ้ที่ดีผู้ชนะถ้าชนะอย่างมีธรรมะ ก็มีผู้สันเสริญธรรมะสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงได้รับการเรียกร้องในทุกหนทุกแห่งตั้งแต่ในพระราชวังจนถึงกระท่อมยาจกตั้งแต่ในรัฐสภาจนถึงตารางและตั้งแต่ในโบสถ์วิหารจนกระทั่งในยุทธบริเวณความผิดพลาดของมนุษย์มีอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าทุกคนต้องการให้คนอื่นแสดงธรรมะต่อตน แต่ตนเองไม่นำพาในการแสดงธรรมะแก่คนอื่น